ขอความจเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประพวทยานในวันนี้ก็เราก็จบงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลมิสาขาบูชามาเนื่อเมื่อคืนวันที่เจ็ดที่ผ่านมา กิจกรรมวิสาข บ, บูชาในปีนี้ได้รับการร่วมแรงร่วมใจจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นกันมากกิจกรรมในท้องสนามหลวงที่จริงก็ค่อนข้างตื่นตัวกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วปีที่แล้วในต้องขับเคี่ยวขันอยู่กับ ก, ก, บกบทมนี่หลายวันก็จนรู้สึกวิตกกังวลกันนะ ในสุดก็ด้วยพระบรารมีของทรงเดชพระเทพรรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีจะมา ท, ทาหนังสือถวายพระพรเชิญเสด็จเป็นประธานเปิดงานจะตามตามแต่ว่าจะเสด็จวันไหนนะฮะต้องรับเสด็จในวันเปิดงานกัอวันแรกเลยปีที่แล้วนะครับ ก็มีชาวพุทธเป็นนันมากในเข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้มาก็สั่งฝ่ายตุนชีไว้ในฐานะเป็นเลขาธิการศูนย์ส่สงเสริมพระพุทธศาสนาผู้ประสานงานในการจัดงานก็บอกว่าใครต้องการเต็นที่เป็นกิจลักษณะก็สนับสนุนเต็มที่ถ้ากทมกรมโยธาไม่มีก็เช่าเลย เรื่องการหนึ่งคือต้องการจะสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นกุศลของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอย่างที่บอกไว้ก่อนที่จะจัดงานนะว่าความเป็นองค์กรศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเนี่ยมันเป็นองค์การกุศลที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขต่างๆภายในสังคม ทำนองคล้ายๆศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาที่จัดตั้งขึ้นในวนราชาที่ว่าที่พระตำหนักของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่คณะใต้นี่รนั้นก็เหมือนกันคือเป็นเหตุการณ์ที่ผลักดันกลายเป็นกระแสที่ขับเคลื่อนไปถึงจุดหนึ่งก็จำเป็นจะต้องมีศูนย์ในการประสานงานร่วมแรงร่วมใจกัน ของกลุ่มพุทธศาสนิกชนหลายองค์การเหล่านี้ก็เกิดขึ้นเมื่อก่อนก็คิดว่าจะเป็นองค์การเฉพาะกิจแต่แล้วก็ไม่ใช่เป็นองค์การเฉพาะกิจเพราะว่าพระศาสนาในปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าห่วงใหญ่อย่าลืมว่าพุทธศาสนานั้นเป็นสมบัติของมนุษยชาติที่ มีมนุษย์คนหนึ่งศึกษาค้นคว้ามาด้วยชีวิตแล้วก็ค้นพบสัจธรรมโดยการศัสรู้เป็นความรู้ที่ถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไว้เป็นอย่างอื่นเวลาเนี้ยประเทศไทยเราครอบครองอยู่เราอจะกล่าวได้ว่าเราเป็นศูนย์ของพระพุทธศาสนาแห่งโลกได้ด้ยซ้ำไปเป็นเกยียรติเป็นศักดิ์ศรีที่ควรแก่การภาคภูมิใจนะฮะ เราประเทศไม่ใหญ่ได่มีประชากรแค่หกสิบกว่าล้านแต่เราเป็นศูนย์ของศาสนาหนึ่งเหมือนซาอุดีเป็นศูนย์แห่งศาสนาอิสลามอิตาลีเป็นศูนย์แห่งศาสนาคริสต์โรมันกาติลิกหรือว่าศาสนาอประเทศอินเดียเป็นศูนย์ของศาสนาฮินดูศาสนาซิกศาสนาเชนอะไรต่างๆนอินเดียเนี่ยเขาเยอะนะฮะแต่คนเก็ามาก เพราะฉะั้นหลักธรรมในทางพุทธศาสนานั้นควรจะมีการขับเคลื่อนโดยระบบตามที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งเป็นรัพุทธปฏิธานไว้คือการให้การศึกษาอบรมแก่พุทธบริษัททั้งหลายในรูปของการศึกษาเรียนรู้ว่าให้เข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรแล้วการประพฤติปฏิบัติอย่างไงที่ถือว่าเป็นความเหมาะความควรในฐานะของพุทธบริษัทเนี่ย ก็อาศัยการศึกษาเรียนรู้จากหลักธรรมทั้งหลายวันก่อนนีดีใจที่เขาได้รับได้รับนิมนต์ให้ไปเป็นอาจารย์สอบพิทยานิพนธ์ปริญญาเอกนะฮะเรื่องพระรศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาถึงแม้จะยังไม่ให้นิสิตผ่านแต่ตอนนี้ก็ต้องผ่านนะะ ก็วันที่สิบเนี่ยจะไปไประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่เราดีใจก็คือว่าคนยุคใหม่เนี่ยเขามองเห็นคุณค่าของศาสนาเมื่อมีอยู่ในทุกเนื้อหาวิชาของโลกแต่ว่าในระดับวิทยานิยผลนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แต่นั้นเอง แต่ถ้าพูดถึงหนังสือเขียนของคนทั่วไปสมมติเราเรียบเรียงขึ้นมาแล้วก็พิมพ์เผยแพร่เนี่ยก็พิมพ์ได้นะก็ขายได้นะเพียงแต่ว่าระดับวิวทยาในพจน์ก็ควรจะเป็นมาตรฐานหน่อยเท่านั้นประเด็นที่น่าสังเกตก็คือว่านิสิตเขาเข้าใจในหลายระดับนะเพียงแต่ว่าไม่สามารถจะสื่อสารได้ในบางประเด็นเท่านั้นเอง แล้นั่นก็คือนิมิตหมายว่าหเห็นให้เห็นว่าสัจธรรมเนี่ยที่จริงเขามีอยู่ทุกผลทุกแห่งแล้วมาก็ให้ในายาเขานะฮะบอกว่าก็ยอมรับทุกสาขาวิชาและมันมีธรรมะอยู่เท่านั้นแต่อยากให้แสดงให้เห็นเ่าแสดงให้เห็นสมมุติว่าคนวิ่งเนี่ยมันควรจะมีธรรมะอะไรนะการฝึกของนักกีฬาเนี่ยตาหูจมูกลินกายเนี่ยควรจะฝึกยังไงใจเนี่ยควรจะมีอะไร จึงสามารถประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาในการพูดกีฬาหรือต้องการให้นายะเพเขาคิดนะแต่ว่าถามถามมากก็ไม่ดีอะ่ะเหมือนแ็บอกไปอย่าถามนาย่ายคิดทีนี้ถ้าถ้าเราไม่รักษาไว้เนี่ยสมบัติอันล้ำค่าที่มนุษยชาติยากจะจะหาได้อีก สมมติว่าคนในะยุคของเราเนี่ยนะฮะยุคของเรา อ, อคำสอนพระพุทธศาสนาเผาทาลายหมดเลยไม่มีอยู่แม้ในหนังสือในคำพีต่างต่างแล้วก็พอถึงยุคหนึ่งเนี่ยจะนึกไปออกนะว่าโลกมันจะอยู่ยังไงมันก็ย้อนยุคอะมันก็กลับเข้าสู่ยุคดึกยุคดึกดาบรนพ์พระศาสนาเนี่ยพานำพาจิตใจมนุษย์ ในส่วนต่างๆของโลกในศาสนาทุกศาสนาเลยไม่ว่าศาสนาใดก็ตามที่จริงมันระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์แล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในทางสูงขึ้นมาโดยลำดับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ได้เป็นหลักในการดำรงชีวิตของเราชาวพุทธเราจึงเริ่มตื่นตัวแล้วก็ที่ตื่นตัวที่น่าทึ่งอรรมาเองอยังงงอยู่จนทุกวันเนี่ย คือหนังสือไม่ยกย่องแต่อย่าเหยียบย่ำอาจารยมาไม่ได้คาดหมายนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ทำงานคือมีอะไรแหลมแหลมวมาก็ต้องออแสดงความเห็นออกวิทยุบ้างออกโทรทัศน์บ้างลงสื้อพิมพ์บ้างก็แล้วแต่ตัว น, นี้ก็เล่นเต็มยศนะฮะทั้งวิทยุตั้งโทรทัศน์ตั้งสือพิมพ์รถเป็นเรื่องใหญ่มาก แล้วค่อนข้างจะเปราะบางแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งคือท่านเหล่านี้ท่านไม่เห็นว่ามันมีจุดปกคร่องเราก็เหินใจเขานะฮะคืออย่าได้มีเวรมีไพยแก่กันและกันเลยแต่เราก็มีภาระในการดูแลรักษ า, าศาสนาเราก็ทำงานของเรไปความต้องการหนังสือในวันที่สามสิบเมษายนเนี่ยมันมาจากทุกที่ทุกทางเลยฮะหนังสือทั้งสองจุดเนี่ยหมดเกลี้ยง หาไม่ได้แล้วที่เขามาเพื่อจะต้องการเนี่ยมันมากจนคืนนั้นโยมสมปองต้องสั่งเพิ่มอีกสองหมืนห้าทางศูนย์เองก็สั่งเพิ่มไปอีกถึงหนึ่งหมืนแล้วคงเพิ่มต่อนะในช่วงเทศกาลมิสาขาดนั้นก็จะมีเพิ่มต่ อ, อเพิ่มต่ออยู่ เพราะว่าในช่วงช่วงเทศกาลวนสาขาเนี่ยเราจะเห็นว่าหนังสือเล่มนี้จะออกไปประมาณห้าหกหมื่นเล่มก็เป็นหนังสือที่คิดว่าตลอดชีวิตรองตอมาเนี่ยจะไม่มีโอกาสเขียนหนังสือแล้วก็เป็นที่ต้องการของสังคมมากขนาดนี้และที่เรายังดีใจว่าแม้ในระยะหลังๆเนี่ยแถยี่แปดที่เก้า 28, 29, ในเปิดวิทยุยังเจอคนเอาไปอ่านออกวิทยุกันดู มันแสดงความตื่นตัวของชาวพุทธไม่ใช่แสดงความดีของนังเสือมาเป็นคนรวบรวมเรียบเรียงเฉยๆนะฮะจะแสดงให้เห็นว่าความตื่นตัวของชาวพุทธแล้วก็ห่วงใหญ่พระศานสนาที่กุฏิเนี่ยถ้าเราเปิดเปิดโทรศัพท์ไว้นะฮะแต่มาตามปกติมักยกหูขึ้นเพราะว่าเรามีรายการวิทยุที่จะต้องอัดเทปเพราะฉะั้นอยู่กุฏิยิ่งทํางานหนะักก็ต้องอัดเทปรายการวิทยุตั้งเดือนหนึ่งแปดสิบครั้งนะนะ มันก็หนักสาหารรสัสพอสมควรแต่ถ้าเราว่างตอนไหนวางโทรศัพท์ไว้จะมีคนโทรเข้ามาแล้วที่สูนนี่โทรดึกดืก่นเทั้งงคืนกันเลยที่ศูนพิทักษ์พระพุทธศาสนานั่นคือความตื่นตัวของชาวพุทธทีนี้กิจกรรมในปริมณฑลท้องสนามหลวงคงมีหลายท่านได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมในวันต่างๆ ในปีนี้แม้จะมีหกวันคือเราเริ่มวันที่สองตอ น, bye bye, นะนบ่ายๆนะฮะเป็กระบวนอัรเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดประศิีรัตนศาสดารามเป็นบรมสารีริกธาตุพระราชทานมาจากพระบาทสมเด็เจพระเจ้าตูตัวแล้วก็เป็นพิธีที่ค่อนข้างใหญ่นะวันวันวันเนี้ยแล้วก็ต่อมาวันที่หกก็พิธีใหญ่พระสมเด็จพระเทพเสด็จเปิดงาน ก็ปีนี้ก็ถือว่าเปิดงานช้าที่สุดเนีนะฮะเปิดเสร็จแล้วรุ่งเช้าก็ปิดเลยวันก็มีอยู่สามวันคือวันที่สองวันที่หกวันที่เจ็ดเป็นวันที่คนค่อนข้างมากและกิจกรรมประจำวันในปริมณฑลท้องสนามหลวงเนี่ย ป, ปีนี้ก็ไปห่างกับวันจับกอนพืชมงคลนะฮะหมายความมาด้านในทาพืชมงคลก็ทาอะไรไปได้ตามสบาย เราก็อยู่ห่างไปแต่ก็เสียดายที่ว่านักเรียนยังปิดโรงเรียนอยู่กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความมีความหลากหลายแล้วก็แสดงให้เห็นนั่นว่าบุคคลต่างๆที่ไดเข้ามาร่วมงานเนี่ยมันมีความใส่ใจสนใจในกิจกรรมทางศาสนาตามเต้นต่างๆเนี่ย คือที่มาจัดกันเนี่ยมันเยอะนะฮะองค์กรพุทธเนี่ยเราก็ไม่ไ้ว่าอะไรแล้วก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือส่วนส่วนใหญ่เนี่ยเาก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรนะก็มาจัดแล้วก็กลับกลับไปส่วนหลักเนี่ยซึ่งศูนย์เองก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ยังไงก็ตามนะฮะพอเสร็จแล้วก็มาลงที่ศูนย์ ส่วนจะเป็นคนรับผิดชอบไอ้เงินเหล่านี้ก็เป็นเงินที่ศรัทธาบริจาคของพุทธศาสนิกชนนั่นเองในส่วนที่กันไว้เป็นค่าใช้จ่ายเพราะถ้ายัดย่ารวมตั้งกองทุนมาเนี่ยกองทุนละพันบาทเนี่ยจะเป็นกองทุนไปได้เอามาใช้ได้เฉพาะดอกผลแล้วดอกผลก็อย่างที่รู้กันนะครับว่ามันลดลงเยอะเลยทําให้งานเราซึ่งยังนึกว่าจะต้องกระจาย เราต้องทํางานที่เป็นรูปธรรมให้มากยิ่งขึ้นคือบทบาทที่น่าร่วมในบางเรื่องหลายๆเรื่องแต่ว่าพระเราในทํางานแบบปิดทองหลังพระที่จริงเราก็ทํานะฮะเมื่อวันก่อนมีพระเข้ า, ขาไปอบรมที่เกี่ยวกับการบริหารองค์กรจากอาชลัยสุโขทัยธรรมธิราชแล้วเขามาเล่าฟังนะฮะว่า ก็รครูบาอาจารย์เนี่ยพูดแขวะแขวะกับพระคล้ายๆกับว่าเขาไม่เคยเห็นบทบาทของพระคือคนเหล่านี้ก็สร้างโลกส่วนตัวขึ้นมาที่จริงกิจกรรมของพระเนี่ยเยอะนะแต่ว่าเราไม่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะนั่นเองถ้าเรามาโฆษณามาพูดมาขีดมาเขียนนมันจะเยอะนะฮะแต่ละรูปแ ต, แต่ละองค์แต่ไม่ใช่ทุกองค์หรอกอันนี้ก็คือวันก่อนเนี่ยมีคนก็โทรมาจากออสเตรเลีย กขาฟังทางทางวิทยุเรื่อยๆนะบอกว่าที่วัดพระธรรมกายก็มีคนมาพระมาประชุมกันเป็นแสนนอ่อาตมาบอกพระเมืองไทยมีหกหมื่นคือแกฟังผิดนะคือมาบอกว่าพระในเมืองไทยเนี่ยมีประมาณสามแสนกว่าแต่เราคิดมาเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือเป็นนักเรียนที่ต้องเรียนหนังสืออยู่เนี่ยหกสิห้าเปอร์เซนแล้วก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ถึงสิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็น คนที่ทำงานได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยที่เป็นหลักอยู่เนี่ยมันก็มีประมาณห้าหกหมื่นนนั่นเองมันไม่ใช่มากอะไรไม่จะกดมากอะไรหรอกทีนี้ฟังไม่ตลอดข่าตัวสัปปัญออสเตรเลียนะมามาต่อว่ามาเลยก็ไม่ทราบได้ยินหรือเปล่าคือคือเรื่องทั้งหมดนี่ต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องมองให้ตลอด แลบ้บางครั้งบางคราวเราก็ไปเรียกร้องอะไรจากพระมากเกินไปนะครเพราะพระคนไม่ใช่มากอะไรจำนวนน้อยนิดแล้วก็เป็นประชากรที่มาจากสังคมนะฮะกว่าจ ะ, จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เนะี่ยต้องใช้เวลาเยอะอย่างน้อยนี่สิบปีนะะอย่างน้อยนี่สิบปีเลยจึงาสามารถทํางานเป็นชิดเป็นนันขึ้นมาได้เนี่ยก็สรุปว่าอายุก็แถวโน้นน่ะนะฮะสาสิบขึ้นนะี่ย ถ้าบทเนรมาเ็ายัางชั่วหน่อยเป็นบริเรียน่แต่หนุ่มๆเนี่ยก็ายัางชั่วหน่อยคือบวดมาปีสองปีก็ทำงานอะไรได้แล้วแต่โดยปกติแล้วมันก็ใช้เวลานานชาวผู้เราตื่นตัวขึ้นแล้วก็สนใจดูแลาศาสนามากยิงขึ้นวันก่อนก็มีสสหญิงคนหนึ่งรู้สึกคนนี้จะเป็นสส อ, อะไระ ปฏิลิษีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเข้ามาขอหนังสือเนี่ยติดต่อผ่านพระมาพาขอหนังสือไม่ยกย่องอย่าเหยียบย่ำเนี่ยไปแจกสอสอ ส, อสอวอแล้วก็ควรพักพวกอะไรอะไรเป็นพันเล่ม น, นะครับต่อเป็นเรื่องที่ น, น่าน่าน่าแสดงความชื่นชมยินดีแต่ต้องเข้าใจนะฮะคือคือบางทีวันก่อนเนี่ยไปไประชุมที่ทำเนียบ เขามีบมน า, าเชิงปฏิบัติการในเรื่องการศาึกษาก็มามีวิทยากรนึงเป็นตัวแทนของศาสนาเน่งเขาพูดไปในทานองที่ว่าคล้ายๆกับเราตั้งแง่ตั้งมุมรังเกียจในทางศาสนาที่จริงไม่ใช่เลยนะฮะไม่ใช่เลยเรากลัวจะเกิดความขัดแย้งในทางศาสนาก็อย่าลืมนะฮะว่าอาบอตอนี่คนศาสนาเดียวกันเนี่ยก็ฆ่ากันตายมาตลอดนะ ทีังสี่ห้าศพเนะี่ยยิงกันแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเอากรรมการซึ่งศาสนาต่างๆเนี่ยมันนั่งเป็นกรรมการด้วยกันแต่เนื่องงานนั้นเป็นของรลกุทธศาสนาชาวพุทจะรู้สึกยังไงว่ามีคนอื่นมาออกความคิดความเห็นมาสั่งการอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะรู้สึกยังไงแล้วถ้าเราไปนั่งบริหารในบ้านเขาเขารู้สึกยังไงที่จริงคิดง่ายๆนะฮะ คือก็คนก็ต่างคนต่างอยู่ที่บ้านใครก็บ้านคนนั้นเลยเคารถสิทธิของกันหะกันมันไม่ใช่เรื่องรังเกียจเดียดฉันแต่เป็นเรื่องของความถูกต้องที่เที่ยงธรรมก็ในพระราชบัญญัติที่กำลังยกร่างกันอยู่เนี่ยนะคือจะตั้งสถาบันเอกไม่ใช่สานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติขึ้นมาเนี่ย อมาอยากให้มีประโยคหนึ่งกดเสนอไปแล้วแต่นจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบนะครับเราใช้คำว่ากิจกรรมด้านศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมของศาสนาใดๆให้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารสูงสุดแห่งศาสนานั้นๆก็หมายความว่าต่างคนต่างก็กินข้าวในจานตัวเองน ะ, ะรับผิดชอบในตัวเองไม่ก้าวกลากัน นะแม้แต่เรากินข้าววงเดียวกันเราตั้เกจนะต่างคนต่างกินต่างคนต่างอร่อยต่างคนต่างอิ่มไม่ได้เกี่ยวอะไรกันการอยู่ร่วมกันต้องอยู่ร่วมกันอย่างนั้นต้องมีความเคารพในเกียรติยศในศักดิ์ศรีของการอะกันความเป็นคนเนี่ยยังไงมันก็มีกิเลส น, นะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีก็น่าดีใจที่คืนวันที่สิบวันที่สามสิบเนี่ย อหนทางโทรทัศน์ช่องเจ็ดได้ออกซุขกข่าวสัมภาษณ์เจคุณศรีปริยติโมโลีกับปาตวนในเรื่องพระราชบัญญัติปฏิรูปการศึกษาในกระทบต่อาศาสนาอย่างไงแล้วจบจบลงด้วยความรู้สึกเสียใจของชาวพุทธทั้งหลายก็ดีใจนะฮะมาเองก็สังเกตมานานว่าเอ๊ะทำไมซื่อเนี่ยเรื่อง ที่มูราขี้หมาแห้งเล่นกันอยู่ได้นะเรื่องคุณโชลินเนี่ยพาดหัวตัวไม้เลยเรื่องคุณวีระเนี่ยพาดหัวตัวไม้เลยแต่บางทีเรื่องพ่อค่มคืนลูกเนวพาดหัวตัวไม้เลยเรื่องรสาระต่างๆนี่มีเยอะเนะี่ยพาดหัวตัวไม้เนะียลงไปข่าวจะขุดค้นอะไรอะไรต่างๆขึ้นมาเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครสนใจเลย เรียกไปสอบถามก็ได้ต่อถามหาวิทยากรทางศาสนาไปสอบถามแต่ไม่ใช่สอบถามแบบไปตามหาแก่นธรรมนะตามหาแก่นธรรมมันมักจะหาเรื่องจะดา่าคนอื่นมันจะต้องมีความคิดในทางสร้างสารรค์ว่าไม่หนักหนาสาหัสสากันแล้วในใครก็ไม่พูดออกเรื่องอย่างเงี้ยมันเปลืองตัวมันสิ้นเปลืองเงินทองนะต้องหาเงินหนาะทองกันเยอะนะ สือนี้ใช้เงินเป็นเรียกว่าเกือบล้านแล้วมั้งไม่ใช่เล่นเนี่ยนะเนี่ยมันเป็นงานที่ต้องทำญาติโยนทั้งหลายที่เ้าเห็นเห็นดีเห็นงามเ็าอ่านแล้วเนี่ยเขาเข้าใจเขารู้เรื่องก็มองออกเขาก็มาช่วยเหลือสนับสนุนกันแล้วก็พอเห็นว่าออวันที่สามสิบเนี่ยช่องเจ็ดเขาหันมาสนใจอย่างน้อยก็มีสุกข่าวออกมา สือพิมพ์ไทยรัฐสื่อพิมพ์หลายฉบับนะที่ยังย่างเล่นอยู่ ย, ย่างออกข่าวอยู่แต่ก็เราก็ปล่อยเป็นสิทธิในด้านความคิดเห็นของคนเพียงแต่ว่าวันวิสาขะปีนี้ก็เอ้ยมีอนุสติเตือนใจหลายๆอย่างว่าชาวพุทธเราเนี่ยที่จริงถ้ามีความตั้งใจแล้วก็ไม่เห็นแก่ตัวเห็นแก่พวกพ้องของตัว ทำงานเป็นองค์รวมในแนวศาสนาด้วยกันจะช่วยเหลือคื่กูณกันที่จริงภาสนามท้องสนามหลวงปีนี้คือมาจะประสานงานเฉยๆจะไม่ลงเล่นร่วงลูกนะฮะปล่อยให้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันไปก็มีอะไรก็บอกกล่าวเราก็จะ ก, การให้ดาเนินการให้แต่ว่าจะไม่ลงไปยุ่งเกี่ยวเมื่อก่อนก็ ถวายเป็นหน้าที่ของเจ้าคณะปทมตอนนี้ท่านชราลงไปแล้วก็มีอาพาธด้านสายตาในท่านยจคุณวัดอรุณดัางก็คุมอยู่ทิ้งด้านหนึ่งแล้วก็มาช่วยมือร่วมมือประสานกันส่วนใหญ่ก็เป็นพระหนุมน่มๆจุดหนุมน่ ม, ม, มาอายุสี่สิบห้าสิบตรงมานะฮะสิบตรงมาเนี่ยสี่สิบกว่าตรงมาเนี่ยจะทำงานกันเป็นหลักแล้วก็ปล่อยเข้าไปเราก็ช่วยดูแลห่าง แม้แต่การอภิปรายอะไราแต่ไรเนี่ยก็มาก็มายอมอภิปรายปีนี้ก็ปล่อยคนหนึ่งก็ทำมาเราก็รู้สึกว่าแหมปีนี้อายุขึ้นปีที่หกสิบแปดก็ยังนึกว่าเออเรานี่อีกสักสิบสองปีเนี่ยเราก็แปดสิบแลมันจะอยู่ถึงแปดสิบหรือเปล่าสมมติว่าอยู่ถึงแปดสิบเราก็ใกล้าตายแล้วนะสิบสิบสองปีแค่นั้นเองเพราะนั้นอะไรก็ ท, ท, ที่ที่งานที่เราทําได้ก็รีบเร่งกระทา ในชีวิตที่มันบางทีมันฝันอะไรไปไม่ก็ได้เหมือนกันเพราะความตายมันจะปรากฏอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เพียงแต่ว่าพยายามทําวันนี้ให้ดีที่สุดเนี่ยเป็นหลักการสําคัญของการครองชีวิตเพราะถ้าวันนี้บันดีแล้วเนี่ยมันก็เป็นอดีตที่ที่ดีที่เราให้ความภูมิใจในวันใหม่มามันก็สามารถใช้ไปในทางสร้างสรรค์ได้ ถ้าแม่นาคที่ที่เราฝันไว้เนี่ยถ้ามานะมันไม่มาก็แล้วไปถ้าไมาเราใช้ประโยชน์จากวันนั้นเนี่ยเราก็สามารถหาประโยชน์จากวันนั้นได้นี่ก็เป็นเรื่องแทรกเข้ามาเพราะว่าระหว่างวันที่สองถึงวันที่เจ็ดเนี่ยก็ตกลงให้มีการถ่ายทอดของ รายการอาตมาเนี่ยมาอยู่ช่วงถ่ายทอดพอดีเพราะเราช่วยถ่ายทอดในช่วงสิ 21. บเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเพราะงั้นรายการใต้รวมพระโพธิญาณที่ออกมาอยู่หลายวันออกมาข้างนอกอยู่หลายวันเนี่ยวันที่เก้านี้ก็จะกลับเข้าหาพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจกกรักวรรตานสูตรในเนื้อหาสาระของใต้รวมพระโพธิญาณต่อไป ท่าฟังทงั้งหลายใจลมประพฤยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไพบุ์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี